กอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฐมายาเมเทศนารายการธรรมะที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อความสงบก่อนเข้านอนกับอภิชาโตพิขุเราที่แล้วก็เหมือนเป็นการบ่นเส้อมากกว่านะวนไปวนมาเกี่ยวกับเรื่องของการเกี่ยวกับปัญหาสังคมฟังแล้วมันกอ็อาจจะรู้สึกคนหูบ้างนะ วันนี้เราก็คงจะมานำเสนอช่องออกกันดีกว่าทีนี้อยากจะถามท่านฟังสักนิดนึงว่าถ้าเกิดผู้ชายกับผู้หญิงรักกันเนี่ย A กับ B ละ ก, กันจะถามท่านฟังว่าเวลาที่ A รัก B เนี่ย A ทำให้ A รัก B มากกว่า หรือ B ททำให้ A รัก B มากกว่าฟังดูแล้วก็สับสนเลยนะก็คือเขาอยากจะถามว่าก็เหมือนเราเนี่ยไปรักคนหนึ่งใครสักคนหนึ่งเราทำให้ตัวเราเองเนี่ยรักเขาหรือเขาทำให้เราไปรักเขาเนี่ยแหละสัดส่วนไหนไหนมันมากกว่ากันสำหรับความรักที่มันเกิดขึ้นอ่ะก็อลองใคร้ครวนดูนะใช้เวลาสักนิดนึง มันก็มีทั้งสองอย่างแหละบางคนก็บอกว่าเราเนี่ยแหละไปรักเขามากกว่าทำตัวเองมางกันเถอะส่วนบางคนก็อาจจะบอกว่าก็เพราะเขานี่แหละทำให้เราไปรักเขาอย่างนี้จะถามว่าอันไหนมันผิดอันไหนถูกมันก็แล้วแต่แหละแต่ก็อยากจะเสนอมุมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในโดยส่วนของผู้พูดเองแล้วเนี่ยก็ ค, คิดว่า เราเนี่ยทำตัวเองให้เราไปรักเขาเนี่ยมากกว่าแต่ถ้ายกตัวอย่างเหมือนสังคมสมัยนี้ณนะตอนนี้เนี่ยอาจจะดูยากขอย้อนกลับไปเป็นเมื่อสัก20ปี30สิปีที่แล้วหรือกว่านั้นเนี่ยการที่เราจะไปชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนสมัยนี้แชทกันคุยกันโอ้สบายแหละแป๊บเดียว แต่คนสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะได้คุยกันเนี่ยสักครั้งหนึง่งโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ฟังกว่าจะได้เบอร์แล้วก็ต้องเป็นเบอร์บ้านด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยมือถือก็ไม่มีแล้วยังไงก็ต้องโทรไปโทรไปเนี่ยตัวเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นคนรับแทนก็ได้แล้วก็ต้องคอยมาบากหน้าว่าอขอสายคนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ พอคุยกันเนี่ยแน่นอนละโดยเฉพาะอย่างผู้ชายโทรไปหาผู้หญิงเนี่ยที่บางก็ต้องเพ่งเล็งแล้วไอ้อย่าคุยนานอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่ได้ง่ายเลยท่านผู้ฟังจะชี้ให้เห็นถึงว่าในระหว่างที่ได้คุยกันเนี่ยมันก็เป็นการที่คุยสร้างสิ่งดีๆสร้างความรู้สึกดีๆให้กันนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเติมให้กันและกันใช่ไหม เขาเติมให้เราเราก็เติมให้เขาใช่ไหแต่ถ้าจบแล้วคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วหรือว่าไปเที่ยวกันวันนี้สองสามชั่วโมงแล้วกลับบ้านอย่างงี้ไอตอนที่มันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงสถานการณ์มันก็จะเป็นแบบอืมวันนี้เราได้นัดเขาตรงนี้เขามาตรงเวลาแต่งตัวแบบนี้น่าประทับใจจริงๆ แล้วเวลาไปดูหนังโอ้วันนี้เราได้นั่งด้วยกันอ่าวันนี้อาจจะได้จับมือกันแล้วก็วันนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ช่างน่าประทับใจอันเนี้ยมันเป็นการที่เราคิดเราเติมให้กับตัวเองนะเติมความรักความผูกพันอันเนี้ยเราเติมปั้นแต่งให้กับตัวเองนั่นแหละบางทัานเจอที่เรารักเขามากขึ้นก็เพราะเราเติมอันนี้ส่วนของเราเอง อย่างถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราเนี่ยเติมตลอดเลยกว่าจะได้เจอหน้าอีกสักทีหนึ่งแล้วเขาเติมให้เราเนี่ยมันก็น้อยแต่ส่วนมากก็คือเราก็จะคิดเติมพอเจอของที่เขาให้จดหมายที่เขาเขียนเรื่งมันก็เป็นการที่มันเหมือ น, นกับข้าวอุ่นกินไปเรื่อยๆอุ่นใหม่อุ่นใหม่เพราะฉะนั้นสัดส่วนของการที่เราเติมความรักให้กับตัวเราเองมันมีมาก พูดมันนี่ไม่ได้จะทําอะไรหรอกแต่จะมาโยงให้ถึงความคิดนี่นแหละที่เวลาที่เราอยู่กับเขาอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเรากับเขาก็เติมด้วยกันแต่ในตอนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกลายเป็นว่าเราคิดเราปรุงแต่งไปสารพัด ส, สรเพแล้วก็เพิ่มความรู้สึกที่มีต่อเขาให้มันมากขึ้นเรื่อยๆตอกย้ําเหมือนตอกตอกบดอนะจนไว้ฟัง ตอกตอกตอกตอกตอกมันก็แน่นลงไปเรื่อยๆใช่ั้ฉันได้ฉกนั้นการที่เราคอยคิดคอยย้ำคิดย้ำความรู้สึกจากความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยความรักมันก็แน่นความรักมันก็รัดความรักมันก็ผูกเรามากขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะ น, นั้นความคิดมันก็เลยเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้อะไ ร, ะไรๆมันเป็นไปได้หลายอย่าง ม่ใเฉพาะเรื่องความรักนะอันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆแล้วอย่างเรื่องที่ได้พูดเมื่อคราวก่อนเกี่ยวกับเรื่องกิเลสเนี่ยที่มันจะมาฉุดลากให้เราลงต่ำลงไปอีกโดยการที่พัฒนาให้เราเนี่ยเสียศีลไปจะบอกพัฒนามันก็ไม่ถูกนะถ้าคือมันก็บอนทาลายให้ศีลของเราเนี่ยเสียไปเพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยไม่ได้ มีโอกาสที่จะอยู่ในภูมิที่สามารถศึกษาธรรมะได้ดีศึกษาธรรมะได้แล้วก็หลุดพน้นออกจากวัตฏานี้ไปทีนี้การที่มันจะทำให้เราเนี่ยไปติดไปยึดเกี่ยวกับเรื่องทางกามให้มันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยก็คือเราคอยเสพอะเสพสื่ออย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วแล้วก็กลับมาย้ำคิดย้ำทาเตือนอย่างเช่นนะ นะไปดูดูแล้วก็คิดว่าอันนี้มันสวยพอออกไปสแบ่งผู้ชายเจอผู้หญิง็เ อ, อดูในทีีก็สวยแล้วใ่ไหพอไปเจอข้างนอกไคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยเจออีกคนหนึ่งก็สวยมันก็คอยตอกย้ำแต่ความต้องการให่มันมากขึ้นไงแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มดีกรีไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้เลยนะมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางไม่ดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็ควรจะทําก็คือว่าเราก็ต้องเพิ่มสัดส่วนความเป็นจริงลงไปในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ ค, คล้ายๆกับคนติดบุหรี่แล้วก็อยากเลิกบุหรี่นั่นแหละท่านฟังก็คือเวลาที่เราติดบุหรี่ใช่ไหมเราอยากเลิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอยากเลิกบุหรี่ต้องเป็นอย่างแรกก็คือ เราก็อยากเลิกก่อนไงเรามีความเห็นว่าไอ้การติดแบบนี้การสูบมากๆอย่างนี้มันไม่ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องหากระบวนการที่เราจะลดมันเลิกมันแต่ทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกใบเนี่ยมันจะมานั่งสมาธิโดยนรงกลมหรือว่าหักดิบเลยเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆใช่ปะค่อยๆเลิกเหมือนคนสุบริะจะ สูบละซองก็อาจจะให้มันเหลือสักครึ่งซองแล้วก็ค่อยๆลดลงไปค่อยๆลดลงไปมันก็ค่อยๆเป็นสเต็ปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจากการที่เรามีความคิดความตึกตรองเกี่ยวกับทางการมากๆเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆลดมันแต่ทีนี้จะลดมันอย่างเดียวเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันก็ลดแล้วมันไม่ใช่ว่างไง ทีนี้พอมันว่างแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะเราต้องเอาของใหม่มาแทนแทนที่มันทีนี้การที่เราจะเอาอะไรมาแทนที่มันเนี่ยเราก็ควรจะเอาสิ่งที่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเนี่ยมาแทนที่มันด้วยเพื่อจะได้จัดการมันได้ภายในทีเดียวเลยอย่างเช่นเราก็มาพิจารณาถึงความจริงของคนนี่แหละจริงๆว่าจริงๆแล้วมันสวยงามจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เราว่าสวยว่างามเนี่ยมันเป็นยังไง อย่างผมแล้วผมผมสวยเหลือเกินอาแก่แล้วผมเลยมันก็เปลี่ยนสีหรือผมหลุดล่วงไปหรือเวลาที่มันไม่สะ10วัน20วันเดือนหนึ่งเนี่ยผมมันก็เหม็นเป็นส ก, กตังถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นผมอันเดิมผมคนเดิมใช่ไหมถ้าเรายังจะชอบอยู่ไหมหรือคนนี้สวยเหลือเกินถ้าเกิดแบบไม่อาบน้ำสิวัน20วันตัวเหม็น าปากมากกับมิน้นแล้วเรา ย, ยังจะชอบอยู่หรือเปล่าอยากจะกอดอยู่หรือเปล่าอยากจะคลุกคลีอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือเปิดหนังออกมาเครื่องในเนี่ยคนเนี้ยเราชอบหรือเปล่าที่เห็นเป็นโครงกระดูที่เห็นเครื่องในของเขาตับม้ามไส้ใหญ่ไส้น้อยถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเรายังเห็นเขาสวยอยู่หรือเปล่า หรือเขาเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคที่มันเปลือยเน่าผู้พ้องอย่างงี้เรายังมองเขาสวยอยู่หรือเปล่ามันก็คนเดิมนะแต่พอมพูดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยกิเลสมันก็ขานได้เหมือนกันนะมันก็บอกอ่ะก็ตอนนี้มันยังสวยอยู่ตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่พิจารณาเมื่อสั ก, กีนี้ แล้วมันก็ยังไม่ได้แก่ด้วยมันก็ยังดูเด็กๆดูยังผิวพันธ์ตึงดีอยู่ก็ใช้มันตรงนี้สิจะไปรอให้มันแก่ทำไมหรือว่าไปรอให้แบบว่าไปเปิดหนังเปิดเนื้อข้อออกมาทาไมอาตอนนี้มันก็ดีอยู่ไงสวยอยู่ไงดูดีอยู่ไงนี่แหละกิเลสมันก็แก้ทางกันอย่างนี้แล้วเราจะเอาคืนมันยังไง อามันแน่แหละว่าโอเคถ้าเราเห็นไปตามกิเลสใช่ไหมเราก็เอาก็ใช้ไปก่อนติดไปก่อนแต่การที่ธรรมชาติทุกๆสิ่งนี่แหละมันจะเหมือนกันก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็ควบคุมไม่ได้ไม่มีตัวตนแท้จริงทีนี้ถ้าเราใช้ไปใช้ไปอยู่กันไปมันสวยสวยทุกวันมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ได้ถูกใจอย่างเก่าเราก็มีอาการเบื่อแล้วก็อยากจะหาของใหม่อชีวิตมันจะเร่าร้อนแล้วแหละตอนนั้นนะซึ่งถ้าเราหาใหม่ได้มันก็ถือว่าเป็นออปชันของกิเลสที่มันทําให้เราเล่อหลอกเราได้อีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยแน่นอนคือเราก็เป็นทุกข์แหละหาอันใหม่มาทดแทนไม่ได้ พอหามาทดแทนไม่ได้ก็ไม่พอใจพอไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์ไงท่านฟังอยากได้สิ่งไหนแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพรา ะ, ะนั้นไอ้ความสวยเนี่ยธรรมชาติคือมันไม่คงทนถาวร อ, อยู่แล้วแต่เรายังอยากให้มันสวยอย่างนี้ต้องแบบนี้เราถึงด้ยินดีพอใจมันทําให้มันคงตัวคงถาวรแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้ถ้าเราค้านกับความเป็นจริงอันนี้เนี่ย มันทุกแน่นอนแล้วไม่ว่ามันจะช้ามันจะเร็วมันทุกแน่นอนแล้วก็บอกว่าเอามันก็หาใหม่ไงก็อยากที่ว่าไปถ้าหาได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหาไม่ได้คุณก็ต้องอย่างเงี้ยซ้ำโดนซ้ำโดนซ้ำโด น, ซ, โดนซ้ำไปเรื่อยๆทุกทับถมไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากหาแล้วหาใหม่แล้วมัน มันมันต้องหามาในแบบที่มันไม่ถูกวิธีเนี่ยแน่นอนคือศีลเราก็จะเสียไปอบายก็จะอยู่ที่เบื้องหน้าเราเราก็จะเป็นผู้ที่มีหน้าตรงไปสู่อบายไปสู่ทุกขติแน่นอนเพราะันการที่เราอยากจะออกจากวัฏตะมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ลดลงสิ่งที่มันจะแก้กันได้ก็คือความจริง เพราะนั้นเราก็พิจารณาความจริงบ่อยๆพยายามเพิ่มสัดส่วนความจริงลงไปบ่อยๆก็ここเหมือนคนเลิกบุหรีนะ่ะถ้าลดบุหรีลงนะมันก็ช่วยได้ใช่ไหยค่อยๆค่อยๆค่อยๆมีความคุ้นชินมีความเคยชินกับนิสัยที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปจากนิสัยเดินที่เคยสูบบุหรี่อาจจะพัฒนาได้จนเหลือครึ่งสองก่อนแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้สูบเยอะเท่าเก่าแล้วนะ ฉันได้ฉันนั้นเราก็จากการที่เราคอยเสพสือ่อแล้วก็มีความคิดมีความวิตตกไปในทางกามที่มันมากเนี่ยเราก็ลดลงมาเอาเวลาที่ลดลงมาเนี่ยเอามาพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการคุณของการที่เรามีความสงบระงับในภายในมีความสุขแต่ภายในมีความสุขจากการที่เราได้หลีกออกจากกาม แล้วก็เห็นโทษของความเร่าร้อนของการเติมสัดส่วนตรงนี้ลงไปทดแทนลงไปเหมือนก้นสะูบุรี่แหละจกครึ่งซองแล้วใช่ไหมก็เหลือสัก5้าตัวแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนไม่สูบเลยสามวันไม่สูบเลยเจ็ดวันไม่สูบเลยเดือนหนึ่งแล้วก็เว้นไปเว้นไปจนไม่ต้องสูบแล้วไม่มีความอยากที่จะสูบอีกแล้ว คนที่ต้องการหลีกออกจากกามเนี่ยก็เหมือนกันนะก็ต้องค่อยๆเพิ่มสัสดส่วนตรงนี้ไปเรื่อยๆพิจารณาอาสุภะด้วยพิจารณาถึงความไม่เที่ยงด้วยพิจารณาถึงโทษของกามด้วยเหล่านี้พยายามแทรกมาลงไปทุกๆขณะเพราะฉะนั้นพื้นฐานมันก็คือมีสตินะมีสติที่เราจะคอยระลึกว่าเราจะมาหลีกออกจากกามเห็นโทษของกามเห็นความมีประโยชน์ของการหลีกออกจากกามเห็นความ ดีของการที่เรามีสุขที่ได้จากการหลีกออกจากกรารมพอเรานิสัยเริ่มเปลี่ยนไปวิถีคิดเราก็เปลี่ยนไปด้วยไงเพราะว่าเราฝึกซ้อมมาแล้วนี่ฝึกซ้อมที่เราจะคิดหลีกออกจากการมฝึกซ้อมที่เราจะเห็นโทษของการมฝึกซ้อมที่เราจะมีความสงบระ ง, งับแต่ในภายในฝึกซ้อมที่เราจะมีสมาธิตั้งมั่นเป็นเกราะคอยคุ้มครองภัสสะจากภายนอ แล้วก็ฝึกซ้อมที่เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อที่เราจะเข้าใจคุณโทษบาปบุญได้อย่างตามที่มันเป็นจริงๆและนิสัยเราก็จะเปลี่ยนไปลนทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสาคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มันดีขึ้นวิถีชีวิตของเราเนี่ยสัดส่วนของธรรมะ นิสัยในด้านธรรมะของเราเนี่ยมันพัฒนาจเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราย้อนกลับไปทางเก่ามันก็กลับไปทางเก่านะมันก็เป็นแบบเก่าได้เหมือนกันเหมือนคนที่เขาเลิกบุหรี่อ่ะเลิกได้ไปแล้วนะแต่เป็นไงเจอเพื่อนเอ่ยเข้าสังคมเอ่ยแล้วก็กลายเป็นว่ามาเสียท่าเอาแบบไหนเสียท่ า, าตอนที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเลิกได้แล้วก็ไม่ติดละเอาสักมวนหนึง่ง แล้วเป็นไงเออเราก็เลิกมันได้นานแล้วนะแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกเออสักสักหน่อยหนึ่งเท่านี้แหละท่านผู้ฟังกราะที่เราสร้างไว้อย่างดีเนะี่ยโดนเจาะแล้วแตกไปเลยจากตัวหนึ่งก็กลายเป็นสองตัวตัวสามตัวสี่ตัวแล้วกลับไปเป็นซองหนึ่งสองซองแล้วเป็นไงเราก็พยายามเลิอกอีกครั้งหนึ่งพยายามเลิอกอีกครั้งหนึ่งพอเลิกได้อีก ก็ต้องพยายามนะพยายามระวังไอ้ขอไอ้สักตัวหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยตัวแสบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราระวังตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะรักษาตัวเองได้รอดได้จากการที่เราจะหัวนกลับไปทางเก่าดึงให้เรากลับไปมีนิสัยแบบเก่ากิเลสเนี่ยก็เหมือนกันการที่เราจัดการตารางชีวิตของเราเนี่ยได้เอาสัสดส่วนของการที่เราจะเสพกาม หรือ ส, ส่วนที่เราจะาให้เราเนี่ยมีโลภะโทสะโมหะที่มันมากขึ้นเราก็ค่อยๆเอาออกไปใช่ไหมอย่างเช่นเวลาตอนเช้าเนี่ยเราจะจะกินข้าวแล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยดูซีรีส์ไปด้วยหรือดูข่าวไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มโทสะ โ, โลภะ โ, โมหะเนี่ยของเราเนี่ยแล้วเราก็ปิดทีวีเปิดฟังธรรมะแล้วก็ พัฒนามันไปเรื่อยๆอเพิ่มไปเรื่อยๆจากขับรถทันที่จะฟังเพลงเราก็มาฟังธรรมะอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาคิดเวลาที่ใจลอยแล้วก็คิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆสราระตะเราก็มีสติคอยที่จะเท่าทีนความคิดแล้วก็มาพิจารณาทษของกามมาพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งาม มาพิจารณาถึงประโยชน์ของการหลีกออกจากกามมาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอะไรบ้างที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเหล่านี้เพราะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมพอดีขึ้นเนี่ยมันจะมีนะเหมือนไอ้บุรตีตัวหนึ่งอ่ะขออีกตัวหนึ่งอ่ะคืออ๋อ ช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินเครียดด้วยที่ทํางานอ้าวขอดูหนังสักเรื่องหนึ่งซีรีส์สักตอนนึงอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนั้นแหละจากตอนนึ่งมันก็โอ้ยจบแล้วกําลังสนุกเลยขอต่ออีกตอนแล้วกันขอต่อยอีกตอ น, ลนอแล้วกันพอเรากลับมาพวกนี้ก็โอ้ยยังไม่จบเลยขอดูต่อยหน่อยมันก็พัฒนาให้เรากลับไปเสพกาเหมือนเดิมเสพกามัวเมาแบบเดิม ความย่อหย่อนในการที่เราจะมาทําความสงบเข้าสมาธิเตือนจงกลมเราก็ห่างจากตรงนี้ไปกลับไปดูหนังกลับไปดูข่าวกลับไปดูซีรีส์หรือว่าไปเมาท์มอยกับเพื่อนฝูงหรือไม่เราก็ไปเสพดู Facebook ไถยไปดูอ่ะคนนั้นดีคนนี้สวยอะไรก็ว่ากันไปชีวิตเราก็จะกลับไปเป็นวิถีชีวิตแบบเก่าไอ้วิถีชีวิตใหม่ที่เราเคยสร้างได้เนี่ย เมื่อสักพักก่อนมันก็กลับไปแหละหายไปแหละล้าทำยังไงก็เหมือนค้นปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าพอเข้าคอสปฏิบัติธรรมมีความสุขสงบแล้วกลับมาก็ใช้ชีวิตในแบบเดิมๆไอพลังที่ได้สะสมมามันก็หายไปพอหายไปแล้วเราก็รู้สึกอยากจะไม่ได้ละเราต้องทำอะไรให้ชีวิตเรามันดีกว่านี้แล้วก็กลับไปเข้าคอสใหม่ได้ใช้พลังใหม่ได้หลออกจากการมีพลัง ใจเพิ่มขึ้นกลับมาก็ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเนี่ยมันก็กลับไปเป็นแบบเดิมท่านผู้ฟัง <_ p ans> เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญจากการที่เราได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจวิธีที่ดีแล้วเนี่ยเราต้องจัดการชีวิตของเราเนี่ยให้มันดีด้วยจัดการสัดส่วนเวลาของชีวิตของเราให้มันดีด้วยจัดการอันไหนที่มันเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์เหตุ ข, ของความเสื่อมเหตุของความไม่เจริญเราค่อยๆขจัดมันออกไปจากชีวิตของเราค่อยๆ เพิ่มสัดส่วนเหตุที่ดีเหตุที่ทําให้เรามีแก่ใจที่เราจะทําความสงบมากขึ้นเหตุที่เราจะทําให้เรามีขันติมากขึ้นเหตุที่จะทําให้เราเข้าสมาธิดีขึ้นเหตุที่จะทําให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงได้ดีขึ้นสร้างเหตุตรงนั้นบ่อยๆสร้างให้มันจนเป็นนิสัยสร้างให้มันจนเป็นกิจวัตรของเราพอมันเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้ทางเส้นใหม่ที่ มันเป็นทางที่มันมั่นคงแข็งแรงแน่นอนวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรและอาจจะไม่ได้ครบทุกประเด็นไม่ได้ครบทุกรายละเอียดแต่ก็อยากจะนําเสนอเป็นเบื้องต้นนี่แหละให้เธอฟังได้เอาไปใช้ได้เอาไปแตกออกเป็นอุบายของตัวเองนันะ ได้เอาไปแตกเอาไปใช้แง่นนั้นเงินนี้ในตามแบบสถานการณ์ของท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าอะไรๆที่มันดีแล้วเราเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะแชร์ให้กับคนรอบข้างแชร์ให้กับเพื่อนฝูงหรือแชร์ให้กับคนทั่วๆไปที่เรารู้จักให้เขาได้มาพบให้เขาได้มาประสบกับประสบการณ์ดีๆในการที่เขาจะมาทาความสงบได้ หลีกออกจากความทุกข์ลดทอนความทุกข์แล้วก็พัฒนาความสุขในชีวิตที่มันเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วคราวหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่เจริญพร